เรื่องพุทธภาษามะคตภาษาหรือบาลีภาษาเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาโดยเฉพาะเรียกว่าพุทธภาษาวันหนึ่งผู้เล่ากลับบ้านถินกำเนิดเพื่อทำบุญให้มารดาผู้บังเกิดเกล้ากลับมานมัสการท่านพระอาจารย์มั่นได้โอกาสขอนิสัยตามวินัยกรรมกล่าวคาขอนิสัย จบประโยคว่านิสายะอสัสมิท่านบอกว่าผิดเป็นวชามิจึงจะถูกท่านเตือนผู้เล่าคิดว่าพวกชาวมคตเวลาเขาพูดกันเขาพูดอย่างนี้แสดงขั้นสูงหรือคำสูงนิเทศแสดงออกเป็นอุเทศเป็นพุทธภาษาหมายเหตุ นิเทศหมายถึงคำชี้แจงอธิบายคำแสดงความหมายคำขยายขยายความส่วนคำว่าอุเทศคือการยกขึ้นแสดงข้อที่ยกขึ้นแสดงหัวข้อบทตั้งความที่เป็นหลักนิเทศแสดงแก่ชาวมคตก่อนปฏินิเทศ แสดงเป็นภาษาต่างๆทั่วโลกอย่างกว้างขวางอุปมาอุปไม้เพื่อให้ชาวโลกเข้าใจเนื้อหาแห่งพระธรรมนั้นๆเมื่อพระพุทธศาสนานี้หมดลงภาษานี้ก็จะอันตรทานไปด้วยจนกว่าพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตรัสรู้ก็ตรัสรู้ด้วยภาษานี้มิฉะนั้นความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็ไม่น่าอัศจรรย์ ภาษาชาติต่างๆใครก็พูดได้เหตุนี้จึงเรียกว่ามาคตภาษาเพราะพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาเผยแร่แก่ชนชาวมาคตเป็นครั้งแรกชาวมาคตคือใครก็คือชาวไทยนี่แหละดูแต่ภาษาที่เราพูดกันแต่ละคำทั้งภาษาสามัญและภาษาทางการล้วนแต่พุทธภาษาทั้งนั้น ฉะนั้นไม่มีชาติไหนจะพูดเขียนภาษานี้ได้ถูกต้องที่สุดพร้อมทั้งอักษรฐานะกรทั้งภาคพยางเพราะชาวมคตยอมรับนับถือนำมาใช้ก่อนจึงเรียกว่ามคตภาษาจำเป็นต้องคงพุทธภาษานิไวเพราะส่งไว้ซึ่งพุทธวจนะหรือพระไตรปิฎก ถ้าใช้ภาษาของชาติต่างๆที่แปลออกมาแล้วผู้ปฏิบัติเห็นแก่ง่ายจะตีความเข้าข้างตนเองมากขึ้นพุทธวจนะก็วิปริตได้จะแปลเป็นภาษาของชาติไหนๆแต่พุทธภาษาก็ยังคงกำกับไว้อยู่เช่นภาษาไทยฉบับบาลีหรือชาติอื่นๆเช่นอังกฤษก็มีบาลีภาษากากับ ทุกชาติจึงเรียกภาษาบาลีคือรักษาไว้ซึ่งพุทธวัจนะนั่นเองพุทธภาษาเป็นภาษาที่มีอักขระคือสระและพยัญชนะพร้อมทั้งฐานกรไม่ขาดไม่เกินไม่เหมือนภาษาสามัญเช่นอักษรไทยเกินไปอักษรอังกฤษไม่พอจึงเรียกว่า สันติภาษาภาษาที่มีระเบียบแบบแผนสืบทอดกันมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆบัณฑิตนักบาลีวยากร์รู้ดีเพราะบัณฑิตเหล่านี้เป็นบัณฑิตโดยเฉพาะตัดสัตโธปันดิเตนะเวทิตาโพภาษานี้เป็นภาษาท่องจำสังวัทยายสวดมนต์และบันทึกลงเป็นอักษร ทั้งกระดาษใบาลานและวัสดุที่ควรต่างๆไม่ใช่ภาษาที่ชาติใดๆใช้พูดกันในโลกพุทธภาษานี้มีความมหัศจรรย์พระพุทธเจ้าตรัสได้8ดคำพระอ น, นุ์พูดได้หนึ่งคำพระอ น, นุ์พูดได้8ดคำสามัญชนพูดได้หนึ่งคำ อุทาหนประเทศไทยเป็นปฏิรูปประเทศพระพุทธเจ้าตรัสว่าปฏิรูประเทศสวาโสจะปุเพจกะกตาปุญญตาอัตสัมมาปนิธิจะเอตตัมมังคลมุตตมังสามัญชนพูดได้คำเดียวนี้คือความมหัศจรรย์ของพุทธภาษาหากเป็นภาษาสามัญชนความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ก็ไม่เป็นของมหาสจรรัจจันร์นี่คือคำพูดของท่านพระอาจารย์มั่นที่ผู้เราได้ฟังมา